ผู้หญิงแถวหน้าเชิญมีอะไรถามคบยต้งองรู้ จ, จักถามถ้าไม่รู้ จ, จักถามครูบาอาจารย์ไม่พูด <c oughs> ถามจ้าววาดบ้างก็ได้ใครนานๆมาสักครั้งหนึ่งนี่เจ้าวาดท่านอยู่ประจำเนี่มาประจำฟังบ่อยแล้วเบื่อฟังพระฟังขุด <c oughs> ไทยไม่ได้หรอก <c oughs> ว่าคนเราถ้าเราจะผ่าตัดเราต้องเจอกับความเจ็บปวดเนี่ยเราจะทำใจไงอ๋อใครใครใครใครจะผ่าตัดไมู้นะเป็นอะไรอ่ะเป็นเส้นเลือดขอค่ะเส้นเลือดขอดเส้นเลือดขอดที่ลำไส้ที่อะไรที่ขาเป็นผ่าผ่าตื้นๆไม่ลึกก็เอาเส้นเส้นขาเขาเขาไม่ต้องใส่ยาสลบนะเออเขาไม่ต้องใส่ยาสลบแต่ใส่ยาชา เราก็ไม่ต้องหลบลรวก็ดูเลยเราดูแล้วผู้ดูต่างหากอ <c oughs> ้ผู้ที่กาลังเป็นอยู่ดีต่างหาก <c oughs> ดูให้เห็นเป็นผู้ดูกับสิ่งที่ถูกดูนี <c oughs> ่มันเป็นหลักธรรมะเลยนะเนี่ยเป็นหลักเป็นหลักธรรมะ <c oughs> เป็นข้อปฏิบัติเลยนะ <c oughs> <c oughs> มันมีกายเสร็จแล้วมันก็มีเวทนาเวทนาคือสถานะการเปลี่ยนแปลงของกายต้องแปลไหมครัครคบรถ้าแปลถ้ายาวๆ <c oughs> ค, คือคือถ้าแปลผมภาษ <ผม S 3> ากลางด้วยครับสมมติผมสมมติผมหยุดปั๊บท่านรีบต่อบางทีผมหยุดแล้วท่านยังไม่ต่อผมก็ต่ออีก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 ถ้าใครเคยต่อก่อนกันกับความเจ็บความปวดเราจะรู้วิธีท ด, ทดสอบไม่ยากหลยให้เรานั่งนานๆนั่งภาวนานานๆมันจะเจ็บมันจะปวดแล้วเราใช้บทตรงนี้เรามาฝึกซ้อมตัวเองมาฝึกซ้อมไปมันจะเห็นความจริงเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนลุงตางท่านสอนกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยใช้ในคราวเดียวกันบางครั้งเราไปเรียนเรียนภาคปริญัต เวียนกายเราก็เข้าใจแตเรื่องกายไม่ได้มาพูดมาให้เกิดความสัมพันธ์กับเวทนาแต่เวล า, าเขาทางานเขาทํางานประสานกันตลอดสมมุติอย่างปูนียเราจะผ่าตรงไหนเราเก็บตรงไหนเราปูตรงไหนเราก็ดูหัวเขาก็สัก์ต่ว่งหัวเขา ก, กายก็สักแต่ว่ากายผู้รู้ว่ากายอิจฉาเนี่มันเกิดการแยกกันแล้วหัวเขาก็เป็นหัวเขาผู้รู้รู้ก็เป็นเป็นผู้รู้มันคนละอันเลยนั่นเนี่ยเป็นคนละอัน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 เับไปประกอบกันแล้เป็นก้อนสังขารก้อนหนึ่งก้อนสังขารก้อนนี้ไม่เคยคงที่อันนี้เป็นหลักศักยธรรมดั้งเดิมพี่พุทธเจ้าท่านเอามาสอนพวกเราเนี่ยสังขารตัวนี้ไม่คงที่อยู่ในวัยเจริญก็เจริญขึ้นมาเรื่อยเจริญขึ้นมาเรื่อยเป็นน้ําใสๆเป็นน้ำข้นๆเป็นก้อ น, เ, นเลือดเป็นก้อเ น, เ, อ เ, นเนื้อเป็นปัญจาสาขามีหัวมีลําตัวมีแขนมีขาอยู่ในท้องแม่เจ็เดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนแล้วก็ออกมา ออกมายังไม่รู้เดียงสาภาวะอะไรเท่าไหร่ความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนมันก็มีอยู่แต่กําลังมันไม่มากเราจะเห็นว่าเด็กนี่เขาชอบใจอะไรเขาหัวเราะราะ่าเขาไม่ชอบใจเราก็ร้องให้ร้องเอาร้องเอาร้องเอาร้องเอ า, รอ เ, อาเรานั่งเครื่องมาจากกรุงเทพเมื่อวานก่อนเนี่ยดนตรีสองวงประสานเสียงกันมาตลอด <c oughs> <laughs> นั่งอยู่ติดกับเราสเสด้วยคือหัวเมียคูหนึ่งก็มีลูกผู้ชายลูกผู้ชายหนึ่งลูกผู้หญิงหนึ่ง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 เรามีแต่เราเราเราเราตัณหามันพาให้เรายึดว่าเป็นเราแล้วว่าเป็นของของเราอ่ามันไปยึดหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเรื่องของตัณหาตัณหาแปลว่าความดิ้นรนความทะยานอยากของจิตเราดูมาที่จิตเราเราถึงจะเห็นถ้าไม่ดูมานี่ไม่เห็นอันนี้เป็นเป็นข้อปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติตระดับตะลุมบอลเลยนะเนี่ยใครได่วิชานี้ได้วิชาตะลุมบอล ลูกตาท่านว่าเป็นวิชาเป็นธรรมะเพชฌฆาตกิเลสหัวหดเลยถ้าใครลองฝึกวิชานี้ได้กิเลสหัวหดเพราะอะไรปฏิเสธหมดมันเจ็บมันปวดมาอะไรท่านั้นดูไม่ให้มีเราไม่มีอะไรเป็นของของเราเอาไปรับไปรับรองเท่านั้นแหละ เ, เราจะเห็นความอยากในใจของเราความอยากความดิ้นรนของจิตความทะเยอทยานของจิตพูดเป็นภาษาไทยของเราคือความอยาก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 อนตาตัวตนคือก็คืออนัตตาที่พุทธเจ้าท่านว่าอนัตตาไม่ใช่เราเป็นเราที่ไหนถ้าเป็นเราต้องบอกมันได้ะไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับว่าอนัตตามีเหมือนกันแต่เราบังคับบัญชามันไม่ได้ไม่ให้มันเจ็บได้ไหมไม่ให้มันแก่ได้ไหมให้มันอ้วนพีขาวผ่องกําลังบังชาดิบดีเรียวแรงสวยงามอย่างนี้ตลอดการได้ไหมบอกมันไม่ได้ไอ้พูดที่จะบอกนะั้นอ่ะมันมีเหตุมีปัจจัยอย่างหนึ่ง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 ดินน้ำลมไฟเกิดมาจากธาตุพ่อธาตุแม่ประกอบกันในท้องแม่หลังจากประกอบกันแล้วก็จะพัฒนาไปตามรูปแบบการอุบัติเกิดขึ้นของมนุษย์ถึงคราวเจริญไปออกจาบท้องแม่ไป70่0ิบห้าสปีหกสปีถึงคราวพอพอพอไปถึงใบเสื่อมก็เริ่มเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงพอถึงวัยเจริญเจริญเจริญญขึ้นเดี๋ยพี่เหล่าเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลง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 เพื่อที่จะผูกพันให้เราอยู่ในโลกจึงมีสิ่งวันนี้เป็นอยู่คิดให้เลยนั่นไปได้ไหมคิดให้เลยที่ธาตุพ่อกับธาตุแม่ประกอบกันเราคิดเลยไปถึงตัณหาตัณหามีในใจของพ่อไหมตัณหามีใใอยูอ่ในใจของแม่ไหมก่อนที่ท่านจะประกอบกิจเหล่านี้ให้เกิดมีการผสมกันนี่ตัณหามีอยู่ในนั้นนี่เราเห็นว่าต้นตอแท้ๆของมันคือตัณหา ปัญหานี่เราเรานั่งพิจารณาเรานั่งภาวนาเรานั่งพิจารณาได้เรื่องของตัญหาเนี่ยความดิ้นของจิตความที่โยทะยานของจิตความดิ้นรนของจิตความอยากของจิตแต่มันจะอยากทวนกระแสทำอยู่ทุกระยะทุกเวลาอยากทวนกระแสทำเช่นอย่างสังขารสังขา ร, ขารอ่ะมันทนอยู่ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปเป็นทุกขงังเป็นอนิจจ์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 ด้วยเหตุที่เราไม่ยอมรับนั่นแหละจึงเป็นเหตุให้เรายืดยาวไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราพริจารณาเพื่อลรูปเพื่อรู้จากรูปไม่รู้จักเวทนารู้จักสัญญารู้จากสังขารและให้รู้จักวิญญาณ<ๆ>ก็ไปศึกษาดูให้ดีอันนี้เป็นหลักใหญ่ใจความที่ทุกคนมีอยู่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้เราไม่เคยศึกษาพุทธเจ้าท่านใช้คําว่าปุถุชนไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่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 ความจําได้หมายรู้สังขารความนึกดีนึกไม่ดีเนี่ยแล้วก็วิญญาณวิญญาณก็คือความรู้แจ้งทางตาท้งหูท้งจมูกท้งลิ้นทางอะไรสิ่งสเหล่านี้ถ้าเราจะคิดแล้วว่าเป็นเรื่องสูงแล้วเราไม่ไม่เอามาพูดไม่เอามานึกมาคิดแล้วเมื่อไรเราจะได้จะได้รู้รู้จักเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ข้อมูลที่จะให้เกิดกิเลส ข, ข้อมูลที่ใช่เกิดธรรมรู้ไม่ได้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 ตั้งใจประพฤติไปด้วยปฏิบัติไปด้วยให้ทุกคนคิดว่ายังมีธรรมะที่ละเอียดออนลึกซึ้งท่าที่พูดให้ฟังนี่เพื่อที่เราจะได้มารู้มาทําความรู้ทําความเข้าใจเราจะได้รู้เหตุที่เกิดของกองทุกเหตุตั้งอยู่ของกองทุกและเหตุ ด, ดับไปของกองทุกอย่าลืมว่าเราไปเกิดพบใดชาติใดก็ตามพบเล็กพบใหญ่พบขนาดไหนก็ตามถือว่ากองทุกเกิดความทุก เ, เกิดที่ไหน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 เพราะไม่กว่าที่เกิดในเมื่อที่เกิดไม่มีพูดที่จะไปอบัตอบัติในพบนั้นๆก็ไม่มีมันไปจากกิจดวงเดียวนี่แหละที่จะไปเกิดไ ป, ไปเกิดในพวกลมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเป็นเห็นว่าเราจะต้องศึกษาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจนี่มีความสําคัญอยู่นะโอ้แต่ทําไมไปจับธรรมะนึกสังเขใจยากนะเอ <laughs> เอ า, เอ า, เอ า, เอาพอสรุปให้ฟังสัหน่อยเถอะ เขเรื่องการห้เข้าใจนะโอเคตรอหมการกมีคามสความสมามสุมาวสคาี่ขามมคที่ีทาสมมีคาามม เกินที่จะมีคำถามมันลึกเกินไปคุณชัยคำถานที่จะเจริญที่เรียอิติลิตหรอถามถึงคนถามที่จะเจริญอิติลิต แล้วก็อิทธิฤทธิ์มันจะใช้ได้อย่างไรเพื่อจะอเพื่อความสุขคงสรพพสัตตังหลายได้ไหมเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ของสัรพสัตตังหลายอิทธิฤทธิ์นี่เราจะเราจะเอาอะไรอิทธิฤทธิ์ทุกอย่างอิทธิฤทธิ์ทุกอย่างปาฏิหารอาเทศนาปาฏิหาร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 แต่ในที่สุดพากันลงอเวจีทั้งหมดเทวทัวตก็ลงอเวจีหมหารกอาชาติศตัศตรูก็ตกหม้อทองแดงเพราะฆ่าพ่อของตัวเองนั่นคืออิทริตทําำให้คนชวนคนหลงไหลเผลออยู่อย่างนั้นเผลออยู่อย่างนั้นแต่ในหัวใจของแต่ละคนแต่ละท่านนี่ถ้าใครมีนิสัยเป็นอิทริตก็จะเป็นเองถ้าใครไม่มีก็จะไม่เป็นเหมือนอย่างพระโมคคัลลานะท่านปรารถนาเป็นอาคาสาวกเบื้องซ้ายนี่ ประกอบไปด้วยท่านมีนิสัยชอบอิจฉริษเวลาท่านท่านได้แล้วท่านกา็เวลาท่านบรรลุบรรลุพร้อมด้วยอิจฉริษพระจุลปันธกเนี่ยท่านบรรลุพร้อมด้วยอิจฉริษเพราะมีนิสัยอยากมีอยากเป็นแต่ถ้าหากเราไม่มีไม่เป็นเราสามารถเข้าถึงธรรมด้วยข้อปฏิบัติของเราเองก็สามารถพ้นทุกข์พ้นโทษได้เหมือนกันความสุขความสันติภาพของโลก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 ความคาดความหมายความเดาเราก็มีแต่ความหวังเฉยๆในทสุดเมื่อไม่สมหวังเราก็ทุกข์ซะเองเราทำใจให้สงบความสงบในใจของเรานั่นแหละคือฤทธิ์ฤทิ์อย่างหนึ่งสามารถทําให้กิเลสสงบระ ง, งับได้กิลสยังไม่หมดนะแต่สงบระ ง, งับได้คือฤทธิ์อย่างหนึ่งของเราแต่จะเกิดขึ้นได้เมื่อเราอาศัยเรียวแรงด้วยกําลังวังชาด้วยสติด้วยปัญญาของเราเองนี่คือคือคือความ อาเทศนาปาฏิหารปาฏิหารก็คือฤทธิ์คือเดชของการเทศนาดักใจอย่างนั้นดักใจนี้พุทธเจ้าท่านทรงแสดงฤทธิ์อาพินิหารโดยฤทธิ์อาพินิหารโดยข้อปฏิบัติสรุปลงแล้วอภพินิหารโดยข้อปฏิบัติที่พุทธเจ้าท่านสอนหลักอริยสัจสี่นั่นน่ะทำให้ผู้คนได้ยินได้ฟังฝึกฝนอารมณ์ตามได้แล้วสามารถเข้าถึงกระแสธรรมเข้าถึงกระแสธรรม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 ดิฉันเห็นว่าเขาเป็นคนที่มีนตามสามารถที่จะเป็นเดแค่ถึงคบามสามารงในการทุกอย่าได้พิใจ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 อุรุเลากสะปะเขาเป็นเจ้ารัทติเจ้ารัติหนึ่งที่เขาถือว่าเขาสิสําคัญมากเยี่ยมมากและสําคัญตัวเขาเองว่าเขาเป็นพระอรหันด้วยนะปูรุเวลากสะปนะเาานี่ยทำยังงั้นพระพุทธเจ้าทํ า, างานอู้มีฤทธิ์มากมีเดชมากแต่สู้เราไม่ได้เราเป็นพระอรหรันพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์แสดงเดชยังไงพุทธเจ้าท่านแสดงฤทธิ์แสดงเดชให้ปรากฏด้วยพระไทยของปรากฏดูไปที่จิตของเขาโดยเขายอมรับไหมพรอว่าระสุดท้ายที่เขาจะยอมรับน่ะ มันผ่านไปเป็นร้อยๆเป็นพันๆอย่างแล้วอิทธิฤทธิ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็ให้เขายอมรับแต่เขาก็ยังสําคัญมั่นหมายว่าเขาเป็นพระอาหารหันต์เงินนั่นแหละเนี่ยเขาคิดว่าความเป็นจริงของเขาเขาเป็นพระอาหารหันต์แท้ที่จริงยังเป็นจอมปลอมอยู่นี่เราเห็นความโง่มันปิดมันบังมันไม่ใช่ธรรมดาตอนสุดท้ายก่อนที่เขาจะยอมรับเนี่ยวันนั้นนี่ฝนตกหนักน้ําท่วมเจิ่งนองเต็มไปหมดอุอรุระคสปะกับลูกศิษย์ลูกหาก็อยู่ที่หนึ่งพระพุทธเจ้าก็อยู่ในบริเวณนั้นแหละ น้ำท่วมไปหมดนน้ำท่วมน้ำเนี่ยมันกลายเป็นกำแพงกัน้นน้ำเองไม่ให้ น, น้ำมันทะลักเข้าไปอ๋าพระองค์ก็เดินจงกลมอยู่ที่ฝุ่นคลุ้งอยู่น้ำมันกลายเป็นกำแพงกัน้นน้ำเองพระองค์ก็เดินจงกลมอยู่กกรว่ากษัตริยกับลูกศิษย์พายเรือไปเห็นโอ้พระโคดมโอ้ฤทธิ์มีฤทธิ์มากมีเดชมากมีอนุภาพมากแต่สู้เราไม่ได้สาบเพนพร้าหันพระพุทธเจ้าท่าน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 โอ้โหเขาอ่อนโยกกราปรกปรลอกขอบวชทันที น, นั่นนี่คือพระพุทธเจ้าสลับไปทรมานพวกมิจฉาทิฏฐิแบบนี้พอทรมานกสปะได้เท่านั้นเลยได้บริษัทบริวารเพิบเดียวเป็นพันคนหนึ่พกับ3องค์เป็นพระสาวกของพระองค์นี่พระพระพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์เดชสลับทรมานสิ่งเหล่านี้สมยัยหลวงปู่มั่นของเราหลวงปู่มั่นท่านเคยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะ หลวงตาท่านว่าถ้าถ้าทำสลากระเท่ากับมูลราคาเสร็จแล้วหลวงปู่หลวงปูม่มันนะทีนี้ตอนหลังมาท่านมาเห็นว่าความยาวนานของวัดตาสงสารมีแต่ทุกข์กับทุกข์ทุกขทุกท่กทกทานก็เลยกลับคว า, ามนึกคิดใหม่ขอให้พ้นทุกข์ขอให้พ้นทุกข์พน้พนโทษไปในวัดตาสงสารก็พอนั้นแหละพอหลังจากท่านมากลับมากลับเพื่อเป็นพระสาวก ข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระศาสดากับพระสาวกหนึ่งมันก็ข้อปฏิบัติชะล้างขัดเกลาไปจากพื้นเพดั้งเดิมนี่แหละพอหลังจากกลับใจปับ๊บท่านก็ปฏิบัติพ้นไปได้อย่างรวดเร็วแต่คุณวิเศษยังมีอยู่นุ๊ปปุ่มาเนี่ยท่านจะเห็นหมดนะเห็นจิดพวกเราเนี่ยใครนึกยังไงใครพูดใครนึกยังไงคิดยังไงอะไรยังไงท่านดูท่านเข้าใจหมดเขาเรียกว่าประกิตประกิตนี่คืออภินิหารแต่ท่านเห็นท่านก็ไม่ได้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 มุทิตาเจ้าท่านมีริษมีเดชมีอพินิฐานเทพดักใจคำว่าเทพดักใจก็คือกลับทิฏฐิของคนจากมิจฉาทิฏฐิให้ใกลายกลายเป็นสัมมาทิฏฐิคือเหมือนอย่างเทพดักใจของพระรูปรักษ์สปะอย่างนี้รู้รู้หมดรู้เงื่อนไข ร, รู้เหตุรู้ผลหมดพอสมควรเลยเนาะพอสมควรนะ เ <c oughs> อาให้พร ล, ล, พล <c oughs> ะพรขอให้เราตั้งใจภาวนาให้ใจได้รับความสงบจะมีความสุขให้ปรากฏทันจิตทันใจทันตาเราเห็นเรื่องริษเรื่องเดชเรื่องอภินญาของของไข่ของท่านมีก็คือของท่านมันสัมพันธ์ของเราพื้นฐานไปจากความสงบ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 ทีเดียวพิญญาที่แท้จริงก็ไปจากอันนี้ถ้าไม่มีอันนี้เป็นต้นทุนเป็นหลักมันก็ไปไม่ได้ขอให้เราทำเบื้องต้นให้ปรากฏซะก่อนให้พรต่อไปให้พรไม่ต้องพูดนะต้องแปลไหมแปลเยกยอกเลียโยอหน่น อ, นอยรครับเอาให้พร น, นะให้พรคนเดียวให้พร อ, องคเดียว อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชตุสัเพปูเรนตุสังกาปาจันโทปนะระโสยถามณิชโชธิระโสยถาสพีติโยวิวัชชนตุสัพโรโควินั ส, สตุมาเตภวั ต, ตวันทรายโยสุขีทีคาโยโกภวะอะพิวาธนาสีริสนิยังพุทธาปิจายนโนยัตาโรธรรมาวัฏันติอายุวนโนสุขงังพลังภวะตุสัพพมังคังรักขันตุสัพเทวตา สัพพุทธานุภาเวนะสะทาโสถีภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสะทาโสถีภวันตุเตภวะตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังคานุภาเวนะสะทาโสถีภวันตเตเจริญเป็นสุข